บุ๊กทูหนึ่งร้อยคุณรคำวิเศษ a d v e r b เคยยังไม่เคย n o g scene aldrig คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Have you Berlin? เคย e ุ l <Never. S 1> คนไม่งที่เป็นอยู่ใครชีวิตของคุณหรือ ไ, you know ไม่ีมมกค ร, ครับ no. อีกนิดอีกไม่นานอีนู่อีแค่มีคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมบลิว d ์ว่าดู n ฮเงน่ไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับไม่จะบลิ i ว์ว่อไม่ไกอะไรอีกไม่อีกแล้วนู่ดมีร คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม no ไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับ Nein, tak. Ikke อะไรบ้างแล้วยังไม่เลย no no คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม มีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วฟรีโรอีกไหมฟรีโมีใครอยากรับกาแฟอีกไหมออถ้ฟรีรจะไปหากาแฟ